พระอนุบัญญัติ561อนึงภิกษุใช้ให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงใช้สอยให้ได้หปีถ้าต่ำกว่าหกปีเธอจะสละหรือไม่สละสันถันก็ตามใช้ให้ทำสันถั์อื่นใหม่ต้องอาบาันฑิตคิยปารจิตีเว้นไว้แต่ภิกษุผู้ได้สมมุติเรื่องภิกษุเป็นไข้จบ